ขกองเท่าดีนะขอบเี้ยป็ันลูกน้องกับพ้องเท่าข่ามคิดนิน้อยเท้ากว่าเหรบ้า้แต่มันบวชีบบวชีบวกนี่หนาเนื้อตาเนี่ยชาความเหง่ตลาดเดียวเพ่เขาเป็นลูกผู้อื่นเขาติดคิดไปย่างเลยเข้าปล่อยได้่างได้หนี่คุณบาอาจารย์เพนหายเพนดาเพนวาเพนกาวยางนั่นพูดถ่ลวลึกหนึ่งใบยางหนี่แต่ว่ไปค่ข้นใส่วันี้เป็นติดขาดที เั to ็นาคนที 3, 3 no so ้ก็เป็นดอกผาต้นเอาต่เล่ยได้ความหความฉลาดจากผู้บาอาจารย์ผ <nos> ีผาผูแสี่ยงหาผูบาอาจารย์นะไปย่างคนหายคนดาอยากที่เดี่ยวกันหาคงโตชี้ี้มาหนาองโตันตกันเฉียนว่าใจดีใจดีก็ที่หายไปไล้ด้าไปแด้ยาเเป็นเหยื่อของคนเหยื่อของเฮ้าถืคว้าน่อทปฏิบัติตามอวัตร้องคนย่างเลยปฏิบัติไป ฝ่ายภายในภายพระเจ้าพระสงฆ์เขียนฝ่ายพระาชายอดเยี่ยมูันเด่นสนใจไม่บุญไน่สุขนพระคุณเจ้าสอนไหวอดีตเหยยาภ้านั่งหลาตะบังไม่ายินนั่งนะครับพลังให้เลือกผ่าจัดหายาทีขําไปตามฟัญญาอารมณ์ยาสีขําไปตามที่เหลือฟันหาก็มักง่ายภายในใจการหาบุญหาสุขน ไข่ขนไก่ไข่พี่แจหน้าไข่พุ้นแน่นอนจริงจังในกินในใจแ้าก่อนจนคอยท่าลงไปเส้นว่าไข่เลีอยงไข่เส้นบ่อแดงปลาไข่ชุ่มชื่อชุ่มไข่แต่เฮาสมัยปต่ช่บับายช่ววันนี่นักปาาอาจารย์แจงวามถิมนกม่ปลาไข่ท่านเลีอยงนาเลืก้งกงตาเขาเป็นบุญจนถึงขั้นก็ด ว่าสมบัติเ น, นี้านยาเุหยาดหนาหยาต่าง้าจุเฉพาสูงสถานสี่ใจ่านใดขานาดเป็นบุญเป็นสุขชนขนา่หนีทุกคนงโงมาสอนกันแต่ถ้าพุทธเจ้าบริด็กสอนยางนึ่งเช่นว่าให้เรียกให้ความจริงการเลียกเรียนเป็ยนยัดกันมันเป็นของธรรมดาของภูมิปัญญาภูมิปัญญาเท็จอียงสองเรียกพัดยักหนาสะท้านสี่ เราไมเหตุไปทวงที่ซึ่งเก็บไทยเกบหน้าเก็บตะเบิงสถานที่ดินมันเป็นยางใดคว้านสี่เด็กฝนใกจำไรไม่ลิดขาดขุ้นยางใดเราไ้่เท่าเหตุไปแบบรับต่างอากหน้าพอดีเขาก็โบอยากไปเหตุเหตุแต่องการเด็กนหน่อยคือต้อเด็กนเชื่อได้แตนี่พอถึงม uh. mm. ันขันไม่โเป็นมีค uh. well, ุณมีป uh. <c ups> so, ุ๋ยอย่างใดเก็บลงไปแบบเสย ท่านเสียเว่อละเดีอยวแรงของถั่วผีภูเหตตหน้าเห็ย์ยังผู้ค้าผู้ขายเื่อกันเพราะงั้นผีปูซื้อบ้านล้านต้องคุณค่าขายกั่วไปในแต่ฐานผีใดว่ามีแต่ตาชนคนปูผ่านผีได้กขายให้ผู้ใดแม้จะขายผู้ดดเท่ากันพวกนักขาจะไป็สั่งบานแย่งเที่ยในแต่านผีต้นค้นดังในเมืองในหน้า ที่ไดหมะดีเท่าไรที่แห้งแข้งเสนเท่านั้นเพราะว่ามันหมอมัน่าดใดขายดีนี่อไดก็ได้ขายพก ค, คนไปมาหาสูงจนภู้ามหมุนทามสุ่วนหาผลหาประโยชน์ภายหน้ายพุชยเจ้ากับสอนไหวใหเรื ب, ่ง จ, จัดหายางหน้บ่ท่ามกันซุงมีุ้งมาใหเลือกหาแยหน้าแนนอนทีเป็นเนือหน้าบุญค้องเขาไกอยูยางไดพอค้องเขาใดมากเข้ามีอิสระ เขามีกรรมมาชิดการใดมากบอกว่ า, วาจริงของเงินทองอย่างใดเข้าใดมากโดยว่าลำบากยากเย็นก็ราะมันดมากย่างง่ายด่ดายไปขาดไปขายไปไปเห็ดไปสางกลัวที่ใดมากลำบากยากเย็นจริงจังใดมากแล้วเขาก็มีกรรมมาชิดที่รักษาสมบัติของเข้าได้เม่มีโคตรไม้ไปเชิดได้บังคับว่าบ่อหายท่า น, นบ่ไใดต้องหายท่านเ่มี กฎหมายบังคับอย่างก็ อ, งอยากแห้่ท่านก็นได้เขาทีเก็บไว้เชื่อบอริโกอยู่สินของเข้าก็กได้ตามความปรารถนาขวาใจแต่ฟูไปแหยท่านหวังผลหวังําไรหวั ง, วงบุญหวังสุขบนโมเมนไปแหยท่านยางเล่นเล่มึงหวังอยากจะได้ผลอยากจะได้ํา ไ, ไ, ไรอยากจะได้บุญไปเลี่ย ใ, ให้ขาดนะจังเลยแหย่ท่านลงไปเมื่อแหยท่านลงไปให้เลือกหะ พระเจ้าพระสงฆ์แห้เรือกหาแตทางที่ดีดควรจะท่ามบำเพนญผมมีหัวมีตาโยนสิบปัญญาแตงเรือกหาบริถังจุงที่ลุ่หาเหงื่อถ้ำในแตานที่ดีดอกผลกาไลที่เกิดขึ้นจากการใส่ของเท่ามันจะมากไมา้ต า, ายของที่จันกร์กระปุกที่เขาเจ็บหน้าเนี่ยให้เขาปูกเล่นหน่อยต่อต่างจาที่ดินมันดีผลมันเกิดขึ้นมากไมา้ า, ายของทีง่พระเจ้าพรสงฆ์ ปฏิบวตในศาสนามันมีมากม า, กายใจของชื่อเทนดีเป็นพระคือกันแต่มันมีผานี่รักผ้าตางกัดขีดินผู้กันแต่มันหางนี้รักผ้าตางกัดขีดินในเมืองในหน้าราคายางหนึง่งขีดินในฟ้าในเขามีราคาอย่ า, างหนึ่งบางแหงบางผลบน่มีผู้ได้ไปจับไปจองเอาเลยเข้าไปยู่เอาหลอดก็ะต่ายผได้ชีวิเสียใจแตกต่างแต่ตัวบ่มผู้ได้ต่างบานต่างที่ันต่าง วันอยู่วันเศร้าเพราะที่ดินวันแั็งเพราะมีผู้สนใจ่เพราะจะอยู่เหเลือแต่ไรนแดดไล่กำไเรเ่อแดดจารับประโยชน์มีสงนใดให้เจ้าพระสงหล้ายขั่นร้ายองค์ร้ายพักร้ายขว่วที่มากไม้ตายฟองคุ้มกัญญากกันหาแสวงหาทําบุญททาผูสลนในสถานีเขาที่เท่หน่าแน่นอนแล้วมเมนนื่อแด่ผลแดดกไร ไปวุ่นเดือดถืนผมากหน้ากายของตลางปัญญางั้นเป็นอย่างไรผู้ใจเจ้าคนสดของหยาดสองโยกทินิชิแะหน้าพะพระผู้ใจเจ้าคนเคยสั่งบุญนบาลานีมากแต่ในข้างทีนี่เป็นโคติัตย์อยู่เคยสั่งมาเนี่ยท่านได้แต่ถาม ท, าทียางไหไเด้ดผลไหนจะไล่ยางไหนคนเคยตาวไหวเนหนจนนาสลดสังเวชเจนนาทินิชิแจนะหน้าในโคติ จะท่ามบุญท่ามขูสนต่อไปกล่าวถึงเรี่ยงเร่ล่ามาผ้าพระพุทธเจ้าของเข้าเป็นเกิดเป็นข้ามหาสารคือเร่ล่ามาผ้าต้มบุญพุ้นจุกเกยดทราบสมบัติมากมากายกองโบอดอยากอยากจนอันใดแต่เบื่อนายวันน้ดีเยี่ยมใสอยากออกไปก็วุดเข้ามาจัดอยากออกบวชบอกง่ายๆท่าขาของเขาไวอยู่ทเราะบัดต้มบุญพุ่นจุกเกิดกินางๆมาก ความทุกขสนุสนาในริงเรานี่ค่ะสมบูรณ์แล้วพ่อแล้วเราอยากประพฤพยรเข้ามาจัดอย่างเอาบวดเพื่อสัางบาลาีทาั้งศีลทั้งภาวนาต่อไปขอเพิ่นบ่อนอนใจในการส่างคุณงามความดีผู้ที่ัดผูรุ่นสัวอย่างนะตะเลื่อยละสมบัติขาดแตานสี่นี่อยู่ก้าไว้ไม้ครั้งเป็นเวลามาผ่านท่านมากอเป็นพ่ท่านจริงนะ แปดหมืน่นปีท่านดั่งสร้างแปดมืนปี่าตัวง่วงถึทสุขลาดง่วงธรรมดาห่วยอันใดทุกอย่างาใส่ให่ปอยเงื่อนท้องม า, าเจ้าอัศจรรย์สีวะคนนี้หลายมั่งคั่งหลายล้ามากาล่อเงื่อนทองในประเทศหนึ่งนึง่อาติบุทรเจ้ า, าบัตรของคนในสมัย น, นั้นเจ้าว่ายทุกขาดทองคำแปดมืนีท่านดั่ ไดน้าใบดี้กได้สังเกตมดสอบข้อมูลของานตามขอบผาดแก้เขียนหลอบกันจะเอาตมบัตรเงื่อนข้องใส่เต็ตขั้งแปดเมืองสี่ท่านบ่ทานท่านไปมดตมบัตรคงเสร็จนี่มาพี่้จน้าแล้วตมบัตรในประเทศหนึ่งหนึ่งอาหาสีมาเกี่ยบกับต้มบัตรของเวลาเราผามสมัยนั้นอาจมีควเท่าเทียมเพราะทองคา คงสีบษมีขนาดนั่นแต่เมือนที่่านใบดึกแต่ละใบทึบได้ 6, 2, คิดพกสองคมเลือของของขาแล้วคอปากแก้เศียนรอบได้ย่น เ, เป็นขาท่องข่ามทั้งนั้นเ้วก็เอาแก้วแหวยนเงื่อนท้องใส่เต็มให้ท่านเหตุก า, ารณ์ให้ท่านสมัยนั้นพระพุทธเจ้ากาไหว้วาเล่าส่างบาลมีสมัยนั่นโดยทีงขาด ภู<บ> ร, <PTSD> ร, รัตน์ท่านสี่สมบูรณ์เหมือนชิ้นเหมือนมให้ท่านมากมายกายฟองขนาดนั้นเท่ากันกับให้เข่าก้อนหนึ่งแก่พระโซดาบันอานิสงส์นี่น้อยสุดส่วนผู้ที่ให้เข่าก้อนหนึ่งแก่พระโซดาบันแยงแฉนั้นในอานิสงส์เท่ากันกับเขาเล่าให้ท่านสะไหมมีแกเนยว่าจัดถ้าศึกสีราดิเจียข้านั่งดันสบัดเพื่อให้เรื่อถ้ากอนจะให้ท่าน จะเงียข no. ั้นต e ึงซี้ซ้มหายขั้นไปดือดข้อมบมีแต่จีปัญญาหายขันไปดือดข้างตามตาลายหมกมันเสียมันหายต้องมัดภาษาทานไปเตาเข้าวอควรดีท่านยลางน่ะมสมัยมีแต่นี่หูวปาอาจารย์คุณแนะนำทาสอนลายผ่านลายองค์ห้ามีตาห้ามมีแต่จีปัญญาเ้ามมีให้เดือดพลาดจักฮะต้องมัดภาะาทานทีใส่เตาใส่มาก สินมาขั Stretch ้แต่ Everest, right ah earth, well. ้ตีได้ผลได้กำไร่งนโตสุดพอเข้าขั้นถูกได้สถานสี่ถูกภูรบเป็นผู้สีส้มบูนโดยสิน่วยขั้นมันขยายนิสสงมาสำรับเข้าเกิดไปได้ควบไดชขาดไดเกิอนาถูต่างไว้ในขั้นดีเพราะด้ขัาในสถานที่ดีเพราะสินีผลมีกาไรเป็นบริษจากผลจากชาติเป็นพระักขั์อรหันไปเลี้อนไหวตดยเกิด อยู่ในโลกต่ไปเาที่นี้ทอทุกกายทุกใจเพราะผลข้าวแกวต่างไรียยไว้ไใส่เป็นคนกับมีโรยไข่ไข่เค็เเป็นคนไปบขาวบูดเกู้อมบาร์เกิดดงดงามเบิดกันนาเดินหนเนี่ยแต่ที่ปัญญาททาก็คือนี้เงินล่องของใจ้าวแ้จะเกิดขึ้น นุชคิดอะไรไหลมากคิดทุกข้างโบ๊ทโบ้จนเพราะบุญกุศลติดต่างไให้ฝนเขาต่างไวบ๊ทกนั่ก็่ได้แฉได้กระได้ไม่ดินหน่อยข้ามขนาดนั้นเนี่ยเจ้หากก่อนหนึ่งเจพระโสดาบันทนการหายข้างก็เขาทุกคนจะเยเดือหายานมากตามกาลังนัาของเขาแก้ปวคงิถือบากุเจ่าสัางไห้ส่ไว้หน่อแต่เขา นันหายท่านเล็กหน่อยเ้็ยเล็กหน่อยกวจักา้าเนาหยท่านในสถานที่ดีไม่จะมี้นปะจักชัดเยนคนจะกำไร่มากๆม้ายกอะผู้แต้วแหวนพรบุญพระป่วยนข้างคาราวะท่มีจุดเจรณหน้าเพราะการท่มไปโดยขาดสติปัญญาขาดการที่มีจุดเจริหน้าการหายท่านอาจเป็นเดี่ยวท่ำลายศาสนาใบยางหนึ่ง เป็นอางเช่ว่าการไท่านท้าลราศาสนาได้เข้ามาพิเจหน้ากันแบบนี้ที่พระเจ้าพระสองฆ์ผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาผู้เป็นศาสนาท่า ย, ยากนักบวชเพราะว่าพระเจ้าพระสองฆ์เลิกพวกแม่เท้าแม่ที่หรือพวกได้ได้ตัวดีที่เป็นนักบวชอาอศัยที่ดีอยู่กิน่นนุ่งพรมและผู้คลคู้อื่นเรียกว่านักบวช นักบวชประเทศนี่อาคูแหย่ข้านบ่มีเศรษฐปัญญาข้ามไปสุงสีสุขอาจเป็นเดือดคน้นศาสนาทำลายไศาสนาทำให้ภูยืนคือขจิตัวยางไป่เรื่อยเสียหายไปถ้าหากนักบวชบ่ตั้งอกตั้งใจบ่ตั้งหนาตั้งตากระเพศปฏิบัติตามข้ามดีห น, น่อยีคิดใจ ตัวศาลาโมกมีการแตะถ้ำความเชื่อหลอกลูงอกล้าจากพระถ้ำดีในเข้าเห็นเขาแย่หาเหตุของพวกนั้นมีการเป็นนักบวชที่านี้แพ้เพราลดมีการน่นคมของนักบวชแย่นิสใจของเขา้วยการกระทําของเขาเรานั้นบอกถูก่าำถูกดีในเว่างามถึงงามแต่ ตามตำราของศาสตรนะพขาไปทรงเสริมหา้ท่านในพวกเรานั่นพวกเรานั่นใบคกินใดอดูสะดวกสบายจะได้วรมีความเลือในการติดตัคือปฏิบัติทํานในไจใส่อยู่จังไหะอยู่จังไละเขาก็หายท่านนี่ดอกเหลี่ยมใส้ดึอได้บ่มีความราลึกเนื้เห็นรตาจัวหน้าบวชตอเท็นข้นง่าข้อดีขจะบอกคือายว่าจะ กส่ข้าวเสีย่างไหลก็คเป็นใปเถอนบุญเถื่อนเชิแกเถื่เป็นิทีมค้นแกคูกมาถ้าุดกบถัวไ่ได้มึได้ท่ามไปตามที่เดือดแสหารตามขมางายข้ถัวเมื่อเป็นยางนั่นลกบวชพวนั้นมากไม่ตายกองเขาผู้บวชที่ว่ามุ่งหน้ามุ่งตาแสหารมาขนกระเบื้องบวชยางง่ายยางนั่นแกต่าชิญนได้เมื่อว่ามพีเจนาก็ไปบุง รักษาให้เสมอเช่ยงไรเครื่องบารนครั บ, บูบ่าอาจาราไปไปาาย์ผู้นประเทศดีไปที่บัตรสอบน่าจะเล่นแย่ไปควรนี้เชิญวนมากสิเล่นไล่ป่ายีดาวาผู้ประเทศดีไปทิบัตรสอบไปข้อปักัาครับเอาอาวุธให้โจทย์คนศาสนาว่าเป็นข้างสีน้ศาสนาเหา็นจะเริ่มดูเรื่อ ง, องมีการให้าเป็นอย่าง พอด่บอกนะ่เป็นเหื่อคมศาสนาแล้วเป็นเหื่อท่ามลายศาสนาเป็นแบบหนูหาปลา้าข้นทุกคนมีแต่จีวรยากมีหูมีตาเขาบอกคือพอดีเดกต า, า, าลาล่านท่งทำวีไนทยเทปไปตามเรื่องที่เหียวกันฮะเราบม้้นบูชาเล่าโม้ข้นต่างพวกนัน้นยูว่าได้ฮะแล้วท่านยางหนึ่งก็นออย่างไรคิแล้วท่านยานนหานูจะเป็นโน้มเหมือนผมจาเป็นจำใส แต่ก็เพื่อปฏิบัติห้ดีห้เด่นค้นไปสิหน้าตาหน้าไหวใจดีนาะใส่ข้างข้ามหมุนข้ามหัวเข็มแก้เสนี่ผู้ที่อยู่ในศาสนาที่ระลึกได้เพราะเข้ดัดเ้าเข้าบวกเข้าไปใส่ใสตาใส่ไหวไม่เสียระลึกได้ที่จะเคลียร์รับสายรับใจผูอเชื่าลาบวกเป็็ตคนนีสเดยวคู่บอยางนั่นโอ้ยยืดถูกยือย่างลาบากผมยังคุยได้ต้นใจ เยู่ไปยังชุกช้าร่าพดอกหน่งจะได้เป็นเกล็ดนะซอขาดกันาะ่อขาักย่งเี่ผู้สนใจเชียงบานเชียงไลกันอยู่พู่กไปที่รัฐอย่างไหนคู่กับที่รตัวยางไหนเขายังสนใจเสมอันเป็นเยือดคู่บำรุงรักษาสมูร์วมใจกับโฉนขนกระนะขั้นกรนห้เาเพียงเสียเพีนเราละมัดละว่างละรักษาเดือดเราหลังทำคว มีโอกาสเขาเขามีคิดมีอำนาจในสมบัติของเขาพเป็นเท่าเดยวไปดึงไปจูจากบุคคลผู้ใดม้ทําม่อมีต้นไม้ขวอยใดบังคับบรรท่าเขาจะมีโอกาสเรายลแย่งหาการคุ้มค่ายดีแต่ได้ข้ามไปทางผู้ใดถ้าต้นไม้บรรเลงบมกาวหะก็มีการรับไหมในการขั้นดีเขาจะมีชีวิตที่เมีสามเมบารดานัซ้อนจากอวัย สถานที่ตั้งใจใเาคามีเราะยเเรัเือ เดย่ห้องใหเข้าไปจับคาดเกืนือเข้าไปจับาเกลอนห้องละห้องสอนมืออแค่พี่แค่ของแค่เ well, ป kind of he ็นสิทธ์เป็นใช่แล้วคิดแก่ใจ้เข้าไปทีนี้ขอย่เหินแล้วยาของห้อเขาตีให้ไม่ให้ติตามเขาเขาตีันแ้เสนเร่องค่าอากาศเขาเดือยอันหนักิตใจขาเขสิ่งแต่เพื่อจะจัมีนั่งเชิญไปจับเพื่อให้ติดสนใจมาสนใจมาเป็นปัญหาเท่านั ขาเห่าเป็นคั้นดีขั้นเด่นแต่จากที่ในเห่าอยู่เลยเห่าไปเลยมี่ขันยุดจับมี่ขนเขาม่ห่างนี่นบมาใกล้แต่สางใจยั้งนั่นันชุกหรทุกขางทุกข์ลยละใจจะกงเห่าเห่าเป็นผู้รักาเข้าเป็นผู้แตที่ใบเนไปจากในตัวเขงตัวเป็นสั้นสสโละได้ขนาดไดุ้กขใจเบาสบายขนาดด คอยใจแม่สวยอยู่ยางแต่ได่บอตื่นล่มปากเขาท่อนเขาตีตื้นเงื่อนข้าเข้าแต่เข้าแต่เป็นข้นยึดข้นดีเข้าจากแม่ติดเขาเข้าแม่ติดเขาเขเป็นยังนั่นยังนี่ก็หายไปตามท่านตีตื้เงื่อนข้าเข้าเข้าก็เป็นเข้ปากเขาแต่เข้าบอยหายไปใจขอตั้งท่านเถ้าชันแล้วเสร็ เง้ยกหาเป็ดดียางเป็ดพิบัดียางเ้ายาสีเงาหอรื่นสวยใจของเขาถูกลร้ง่ายแล้วข้างคอยติการละเอเงียแต่ว่ามื้งถูกขึ้นตองข้าไ็ดเป็ิั้นดีเดเิดเป็นเหนือหน้าบนท้องเขาเกิดเป็นตี้นแดงตัวทองเข้าเป็นปิดใจทองเข้าลดไลเป็นไปจากจุดเด่นขาเหนือใดเมื่อนัใจถึงเท้าที่มมีกา แต่เพื Ugh, <sorry S 1> ี่ยนในต่างสัญญาอารมอันใดเพรทีต่างคลิปของทั enjoy, ้งทุกข่างทุกยางใดแต่จัดขาดเปลีนในใจเขาสุขเกทดจากดีใดเห็นไดาทำมาทำทางสอนต้องบรณาเจ้าสอนใหญ่ยืดยืดมีหมดยืดยืดสี่มิตรร้อยนี่เป็นสองขั้นมันมีคนไหนส่แสมรียนนขั้นหนึ่งกว่าหนึ่งก็ไปอีก ทั้นสีม่งสีแดงก็จะดับที่เหตใจดูดินถึงจะหนุบๆสุดแล้วรู้ใจที่เป็นยังไงบอกวันนี้ขึ้นสีเทียนสลายนี่เราถืมาท่านลายล่างใจด้วยตายลยันใหใจในพาคผีทำต่างฮดเขตอำเภอนาแกวันนั้นนึกอยากจะไปเที่ยวดูวัด สันเจนสนถังจะอยู่ภูสวนจากนันถึงไปก่อนในราสักราสวดเส้นเป็นภูเขาจินเขาวา่าอยู่นาะใส่แล้วกว็อยากจะไปสันเจนมันสาอยู่นั้นนานแล้วดูมันเคยอยู่มาแต่ก่อนสันจนมันยังเหมาอนเมรณะภาพอยู่นั้นอยู่องค์เดียว วันนั้นฝยเอินทันลงมาวกชีอยู่นั้นก็ลงมาไปเจอทันจีตกลางทางมั้งท่านก็บอกว่าจะไปแล้วก็จะเข้ากติให้ขอดทางโน้นทางนี้คือมันมีที่เข้าถ้าทา่านไม่บอกว่าหาที่เข้าไม่ได้ทรามันอยู่สูงไปพอไปถึงแล้ว เสี่ยงกิวอนออกเขาผ้าอับห่อกิวอนห่อย่างกึบปล่าัดเอวขึ้นขึ้นบันไดบันไดมัน4 0่สขั้นแต่มันชันสูงขึ้นยากขึ้นไปก็แค่รักเล่นอยู่นั้นพอทุกควรขาลงขาหลง มันเหมือนขาขึ้นเนี่ยมันกลัวย่ากกับไอ้ <laughs> พายจีวรถ้าอ่างโยนลงมาก่อนลงมาเจ็ดตัวเหมนจัจสมที่ไปมรณภาพอยู่ที่อำเภอเงะทะลำปางให้ฉลงไปก่อนลงไปพอไปถึงบันไดขันไดเกาะเกาะก็ ก, กลัวตกฉันลงไปจนครึ่งอ่จานท้องก็ลงตามหลังไปเดวเลย เลยถันลงไปนะคือไปถึงขึ้นก่อนถานอืมเราไม่เคยพูดชายทีแค้นะไม่เคยพู้หญิงแล้วพวกพู้หญิงพวกชี้อยู่นะั้นก็หากน้ําขึ้นสบายแต่เราพูดชาย <c ười> ขึ้นแต่ยลนะ่ละชี้กว่าจะไปถึงลงเหมือนกันอู้ห <c ười> ูาเขาไปเห็นเขาหัวล้อใหญ่อะนั่นไม่เคยขึ้นลำบากสูง <c ười> <c ười> ทำดีสูงแต่เป็นทำต่ำคือทำที่มันอยู่สูงแต่ทำมันเอ๊มันอับอับมันไม่สูงมันไม่เปิดเท่าไหร่คือพื้นของทำกับตัวทำมันเันราวสักบางแห่งกว่าสามสี่เมตรบางแห่งกว่าสอง เนธธ็ตเสร็จเสพราะเลยชี้ศอกไปนี่ๆนิดหน่อยแต่มันอยู่สูงแต่มันทันมันต่ำตมันอยู่ปิดกับยอดเขาได้เปนยากลงยากเออเดีย๋ยวนี้เขาไม่ให้อยู่เขาไล่ฉันลงมาหลายปีแล้วปกกอดการจะอยู่นั้นหาเจได้ต่างเอาไว้ก่อ ทางรัาบาลสั่งก็คงจอหมดลายล้านเหมือนกันถ้าถิ่นสั่งดีเป็นที่ภักที่อาศัยนม่ก็ล้วนแต่ไม่ยไปเขียนทั้งนั้นมาทำมาทำที่งนั้นก็พวกสีพวกนั้นปลูกใบพวกกล้วยมะพร้าว มันนาส้มหลายอย่างเป็นสวนใหญ่โตอยู่นั้นเรื่องยินทะบายไม่ได้ระยะทางมันห่างไกลดูมันจากนั่นมาถึงหมู่บ้านมันสองร้อยกว่าเซมันขึ้นเขาลงเขาแล้วก็อาศัยพวกซีอยู่นั้นน่ยท่านก็อยู่องเดียวซีเขาก็หางหาอาหารไป่ถวายทานด้วยมันจริง ท่านจะอยู่แบบสะดวกสบายีท่าอากนดีบินท่ะแล้วก็นั่งก็ะฝงนั่งเกาหาดเป็นใจให้โอไปอ่านให้ท่านสงคงจะบางวันก็คงจะได้ลงจากท่านเราไปเห็นเขาจะไปนั่นและคยงว่าลงได้ทีขึ้นได้ทีหนึ่งวันหนึ่งเหนื่อย เป็นยากมันสูงสูงมาแต่ันสูงแบบคู่่อคู่่อมันมีจะท้านขึ้นแต่นั่นมบันไดบันไดขกว้างไม่แล้วสักเมรเศษแต่มันก็หนากรัวแต่ในสูงมันก็เฮ้ะดวกสบายขนาดนั้นเห็นเห็นสูงก็เด็เดียว ขออะไรพวกอุดรโกรกหมูบัญชาผมนี่เข้าไปถอดจักรพรเขามารับไปแต่ว่าถันการจวนไปลุงต่นคือมีคนมามีมนให้ไปมาหลายครั้งหลายหนแต่ถึงวันนัดจริงจังเขาก็ไม่มารับก็ราะวมันได้ไปสักทีตอนนั้นมันยังีเรียกอยู่ คนนี ắn, m ày, m ắn, ้มันใส่สนใจไปเกี่ยวเกันนั้นสมัยนี้ไปกันหลายสันรถทางอุดรทางหมู่บ้านต่างๆไปเนนกัน้ำเชี่ยวคงจะนัดนี้เอาไว้เมเรามันจะแค่ไหนคงจะจิดแบบนั้นแต่ฉันเดินคงวางแขนวางแขนให้เนนน้ำเชี่ยว พอไปถึงเหีวทีลึกๆมันก็ยืนดันเราอยู่นั่นแหละจะให้เรากลัวเือกหรืมาพากันแบบนี้ ไปเไปไไดินด่อยไปอ่ะไหนดูหน้าดูหลังอะไรพอเดินไปไกลพอสมควรมันขึ้นไปมองดูเหนียวสะพานพอ <c oughs> มองดูมันเสียวขาอ่อนร้องไห้จะกลับก็บกลับไม่ได้จะไปข้างหน้าก็ไปไม่ไหว <c oughs> ต้องอาศัยคนอื่นพยุงไปข <c oughs> ายหน้าล้มตานี <c> ่ย <oughs> มันเสียวมันอ่อนนะก็ขามันก็อ่อนไปด้วยเราเดินไหวใจนี่คิดอย่างนั้นมันือว่าไปธ้รมดาไม่ต่อยแคร้ายเสียงกวางกว้างกว่างไปทุว ย, ยูเียวรอดไหม เมื่อปีกลายทีเพื่อนี้จะถิ่นดันเขาก็มารับไป<ม>ขอบคุณสุริพันธ์ เ, เทเี่ยรอกราะคนมันมาก<ม>ขึ้นไปก็เยอะๆก็ลงมา